เลยมันว่าเก็บไปเอามาแล้วก็พระนั่นเล่นกับแม่มีท้องพอมีท้องปั๊บนั้นน่ะใครจะไม่รู้ล่ะเห็น ก็บ่บอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอิ้นมาถามน่ะเธอเสพ ไปนั่งคุยกับมัมนายก็ไปเลยอีนางมึงผู้สาวเก่าก็ไปคุยนํามัมน่ะดิมัมมึงมักต้มไก่สิขาเอาหาเรื่องอยากถึกก็ทําท่าป่วยนี่อ๋อบ่ค่อยสบายแล้วเวลา นายหลวงพ่อเจ้ากล่าวว่าต้มปลาไก่ตุ้งพี่ต้มไก่มาล่ะเด้อบ่ต้มแต่ไก่ติบาดนี่นิสันเนี่ยเจวกามเมาอืมเจวบวชมานี่มันเป็นว่ามันสิไปได้ง่ายๆเด้บวชเพื่อผลทุกข์เนาะทุกข์ที่บวชมาเพื่อหวังนิพพานน่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะบ่อยากกลับมาเกิดอีกเพราะว่าเกิด สวดแต่ละบทนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเตือนเจ้าเบิดซั่นน่ะเตือนถึงพระเตือนถึงญาติถึงโยมถึงแม่นเบิดหมด แม่ว่าบ่มึงเจ้าสัวตะตรงกันข้ามกับพวกเจ้าเรา มันมันซื่อๆได้อย่างนี่ให้แน่แต่เขาย่องเพิ่นเอ้ยแม่เห็นบ่ล่ะข่อยว่าแล้วบ่แต่ว่ามันยากเรื่องมื้อ <c ười> เจ้าว่าพระเนนบวชบูนี้บ่แม่นว่าสินี่ฝันเป็นพระจักเทื่อเฮือหม่อมนี่ที่มายิ้มตินี่บ่บ่ น่ะถามมื้อนี้นี่หน่อยแห้งโตกานแล้วครับนี่แล้วบัดทีตังขึ้นมาโอ้ยเป็นจังได๋ล่ะฝันเมื่อคืนนี่คักเลยสิได้ขนาดเพิ่นว่าเฮ็ดสิวัดแต่เน้นเลยหลวงปู่ก็คือกัน <laughs> <laughs> เล่มมืออื่นเจ้ามาทักผ้าน้ำก็บ่ทักอาตมาบิยังจังเว้า ย่านผีเข้าภาษาเบิ่งมันให้มันตายซะทีอือเอ้าเจ้าก็ย้อนเอา ขนมเพิ่นน่ะบ่มีแต่ผู้งามๆเมาเขาคัดเลือกมาอย่างดีขนมมันเป็นร้อยๆติยังเพิ่นยังมีออกมาบวชติ พี่น้องซังปึ๊ดโถยจนพลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสอนศีลยานุสิทธิ์หลาย อ่าเบิ่งทุกมันเกิดเบิ่งทุกมันดับอยู่จังซั่นเพิ่นสิมาตรัสรู้ได้เอ้าเพิ่นจังมาเจริญอานาปานสติอ่าที่ท้องนี่เอาท่องใหม่เด้อเวลาอ่าที่เอามา แต่ว่าเฮาบ่เข้าใจซื่อๆสิตัวตอนก็บ่เข้าใจเพราะว่าหยังเพราะว่าสงบ พอสงบไปสงบมานั่งไปนั่งมามื้อหลังมาบ่สงบโอ้ยบ่ละแล้วผมเบิดบุญแล้วว่าสึกว่ามันดอกว่ามันสิ อยากได้บุญจังได่บารมีก็หาเอาซะตัวใครสิมาหา พุทโธพุทโธพุทโธอยู่บ้านเบิ่งเฮือนบ่น้อบักหานั่นพุทโธมันแม่นคืออัน 6 เต็มที่แล้ว แกบ่จะสิไปสวรรค์ซะไปนั่นน่ะไปจะนั่งเบิ่งติล่ะบ่เชื่อนั่งเบิ่งความคิดพระคือกันเนาะพุทโธพุทโธเมื่อคืนนี่ฝันดี <c oughs> ถ้าบ่ซ้อมมันสิบ่จักหรอกเจ้าว่าเจ้า เจ้าเยสิว่าแต่เจ้าเท่าภาคก็คือกันพระไปบิณฑบาตเจ พระเพิ่นบ่เบิ่งบาทเพิ่นล่วงใส่ขาพุ่นนี่มันแน่หลายบ่เห็นมือเขาเห็นขาเขาเอ้ยเพิ่นว่าแม่ฮอดวัดดอกเว้ยซั่นเขาเอ้ยเลยบ่เห็นไปเก่าเลย บ่ว่าคือไห้บ่ว่าตึกว่าไปสั่นเข้าบ่ได้เลยนี่หา 6 ค่ำแล้วมันอิ่มบ่เราปราเป็นอีหยังผู้เฒ่าห้องใส่ปุ้ยอนุภาพแห่งอีดีเด้อันผู้อือ กะจังว่าเฮ็ดจังได๋สิพ้นทุกข์เอาพ้นตัวนี้แล้วบาดนี้แต่ว่าพระนี่โอ้ยยากคือกันนี่เด้อพระเฮานี่เฮาให้ตั้งว่าสิ่งทั้งหลาย เอ้าบ่สงบมึงสิอยู่เหิงปานได๋มึงบ่เถียงก็แล้วก็เอ้านั่งเบิ่งมันมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เอ้าโหมันคิดป้อนี่แต่ว่าให้ฮู้เด้ว่ามันคิดตั้งสติดีๆเด้ถ้าตั้งสติดีๆฮู้ว่ามันคิดเหล่าคิดหรือว่านายคิด เออนี่เฮาคิดคือแม่นมันน่ะเฮาบ่ได้คิดนะมันโผล่มาแต่นี่แสดงว่าเฮาสงบแล้วนี่เราสงบสงบในความไม่สงบ หนีระหว่างเวทนาเป็นเวทนานิดเดียวนิดเดียวออกไปเลยว่าละฝั่งเวทนาเป็นเวทนานิดเดียวนิดๆบ่ได้เรื่องๆซื่อๆดอกคั่นซุ่ม เฮาเบิ่งความสงบเฮาสงบแล้วนะบาดนี้เบิ่งความบ่สงบจะไปถามหาดีๆเบิ่งโอ้งุดหงิดตัวนี่โอ้งุด ເຮົາພະຍາຍາມແຍກອອກຕັ້ງສະຕິດີດີຖ້າຜູ້ໃດ นี่สิว่าบารมีผมเบิดบ่แม่นด้วยบาดนี่คนละส่วนเลยมาแต่มันไปนั่งไปหลงสาวเลยนี่บัก นั่งเข้าไปเย็นจ้อยจ้อยงูอะนั่นน่ะยุ่งเป็นกล่องทับกัดนี่มึงเอาโลดอืมนั่งเอาไปเอามาโอยบาดนี้เสือวอผู้ละองค์นั่งอยู่กุฏิเม็ดข้าวอยู่ในกาน้ําปะหน้านั่งอยู่ ไผที่เมือเรามีเม็ดข้าวมันมีอยู่สมอครับมีแต่ว่าผมเห็นอยู่ว่าซั่น เพิ่นพอความสงบเพิ่นเอ้อพระพุทธเจ้าบ่ให้ติดเด้อันนี้ก็บ่ซื้อ 20 เพิ่น ชื่อยันนั้นแม่ออกตายอันเดียวกลางพระมันเสื่อมสาว พระพุทธเจ้าเพิ่นให้เบิ่งความไม่สงบเป็นของคนอื่นเห็นความบ่เที่ยงความบ่ อาจารย์อีหยังก็ไปส่งอาจารย์พอได้มาวัดก็คือน้อคือน้อโอ้ยแม่ออกแกงอันนี้มาก็ไปเอา พอซาวรอขนอยให้ได้หลายอย่างสิเซาคันสึกมาเซาอยู่สึกถ่อมน่ะขนาดเก่งจังซั่นนะสึกได้ห่านเพราะว่าอย่างอันน่ะไม่ใช่ไปหลงเจ้าของมาเจ้าของสําเร็จพุ่นแห่ผู้บางคนบ่แม่นเด้อนั่นซ้ํา นั่งนี่นี่หลายองค์อยู่นี่สิไปโรงศาลาสงบมึงก็บ่เถียงมาแต่สงบ เราจะเห็นความไม่เที่ยงชัดเจนทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ที่เห็นทุกตลอดบัดใครเมื่อนายต่ออารมณ์เจ้าของนี่คือสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทุกอารมณ์ แต่ว่าพวกหมู่เฮาก็คิดว่าเป็นอารมณ์เฮาบ่เป็นตัวเฮาเอามันตัวบอกให้มัก ลองมาเบิ่งคั่นบ่ว่าแอะซะล่ะอยู่ปากมันขึ้นอีกึนดึดอยู่ว่าเบิ่งว่า มันเป็นแก้งหรอกสอนดีๆคักๆเลยข้าพ่ออาตมาเดินธุดงค์พ่ออาตมานี่ก็อ่าอยากปฏิบัติไป หลวงพุทธาก็ไปผ้าไปไปทางอย่าโสไปทางผักอืมเข้าพระพุทธีห้างอ่าเพิ่นก็เข้า งัวน้อยเข้าได้หลวงปู่สาเฮ็ดพ่ออาตมาเฮ็ดโอ้ยมันคือมุ้งเออมุ้งงามก็ได้ ยุงข้างในหลายกว่าข้างนอกพออาตมาบ่ทนไหลก็เลยลงมานอนทางที่ใต้ตะลางปุตีพี่มานอนหม่องไกลๆเขาหม่องเอาเก็บโอ้ยยุง เออคั่นให้มานอนตั้งหลุมซะว่าเออพออาตมาก็บ่ค่อยคือกันเออเอาไปเอามาก็เลยเอาไปบาดไปปัดๆไผอยู่นํามื้อนี้ขอนอนนําได้เด้อเออ พ่ออีลีเลยมันภาษานี่ต้องเฮ็ดแนวนี้ตัวไปนอนหม่องใดบอกโลดถ้าอยู่ สถุลื้ออย่าให้มันได้หยังเด้อเพิ่นว่ามึงบ่ซ่าเพิ่นเพิ่นเทน้ําใส่บาทกอกบาททุกปกติยกบาทขึ้นสถุลื้ออย่าให้มันได้หยังเด้อเพิ่นว่าแต่ว่าพระเฮาบ่แม่นคั่นดีเนาะ บ่แม่นตวดปฏิสังขะโยเพิ่นให้พิจารณาบินทบาตฉันบินทบาตใส่ชีพรแสเบิ่งเตนาสนะบ่แม่นคาถาขังเด้พาเฮาลังว่าบ่ได้หลวงปู่สร้างว่าสัทธุเด้ออย่าให้ว่าพ่ออาตมาว่าบ่บินในบ้านตี หน่วยเบาขัดใจเจ้าของเว้ยเพิ่นว่ามันอยากได้หลายก็ว่ามันเป็นแต่เว้ยเพิ่นว่าอือพ่อบินธบาดมาบาดนี่ก็ฉันกันแล้วย่างต่อหลังบาดแล้ว เป็ดกบมันก็บ่มีสันมันก็ยิงว่ากบอยู่ฮู้มันนี่ได้อย่านี่เพิ่นว่า เทได้โตไฟโตมันเด้อเว้ยเพิ่นว่าย่างไปจักน้อย